ตอนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีนั่งสมทิภาวนาเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะฝึกฝน ทั้งกายทั้งจิตให้เข้าถึงความสงบกายก็นั่งอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงเป็นเสียแต่มีกิจจำเป็นจริงๆส่วนจิตใจนั่นก็พยายามให้มันนิ่งใจมันจะนิ่งได้ก็อาศัยสติ กำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าออกเป็นทางเดินของความคิดถ้าเรามีสติกำหนดรู้เท่าลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ความคิดมันก็หยุดลงได้พระบรมศาสตาของเราทั้งหลาย ที่จะได้ตัดสรุป็นหลวพระแท้เจ้าตอนที่พระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่บนบันลังในครั้งนั้นพระองค์ก็จเจริญอาณาปานสตินี่แหละทรงตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกจิตของพระองค์ก็ได้บรรลุ ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตลอดถึงจตุฌานไปโดยลาดับอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นแบบฉบับต้นฉบับของการภาวนาอยู่ตรงนี้เองแต่ที่ทรงสอนให้เจริญพระกรรมฐานอื่นๆอันนั้นก็เพราะให้มันถูกกับจริตของบุคคล อบุคคลมีจริตแตกต่างกันไม่เหมือนกันบางคนก็ราคะจริตมีความรักความใคร่เป็นเจ้าเรือนอยู่ในจิตใจบางคนก็เป็นโทสะจริตโกรธง่ายฉุนเฉียวชอบผูกโกรธไว้ในใจ เ็นเหตให้ทำบาปได้เพราะความโกรธบางคนก็เป็นคนโมหะจริตมีจริตนั่นหลงลืมบ่อยๆพิจารณาอะไรก็ไม่ค่อยแจม่มแจ้งไม่รู้จริงในสิ่งที่ควรจะรู้จริงบางคนก็เป็นศรัทธาจริต เชื่อง่ายงมงายเชื่อโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอบางคนก็เป็นวิตกจริตชอบวิตกวิจาร์เรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องอะไรมาถึงเขาก็เก็บเอามาวิตกวิจาร์จนเกิดความรำคาญจนว่าจิตฟุ้งซ่านเลื่อนรอย บางคนก็เป็นพุท ธ, ธิจริตมีความรู้มากแต่ความรู้นั้นช่วยตัวเองให้พ้นทุกไปยังไม่ได้เพราะความรู้ น, นั้นยังแทรกแสงอยู่ด้วยกิเลสอวิชชาตัณหายังไม่ได้กลั่นกรองให้เกิดเป็นความรู้อันบริสุทธิ์พุทธพอง เพราะฉะนั้นบางคนมีความรู้มากก็มักจะอาศัยความรู้นั่นแหละไปหลอกลวงคนอื่นเขาได้เงินได้ทองมาเลี้ยงชีวิตก็มีนะครับถึงกลับไปเป็นโจรจี้เขาปล้นเขาเอาเงินทองของคนอื่นเขามาเลี้ยงตัวเอง มุนีมอาศัยพวกมีความรู้มากนี่แหละแล้วไม่ไม่รู้จักใช้ความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมักจะใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดกฎหมายศีลธรรมอันนี้มันมีอยู่จริตแบบนี้นะในโลกอันนี้แต่หนตะไลามา จริตนิสัยของคนเรามันมีอยูหกประการอย่างนี้สมเด็จพระภูมิภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดังนั้นทุกคนก็ขอให้ตรวจดูจริตนิสัยของตัวเองเพอเมื่อบุคคลมาเจริญอนาปานสติสำรวมจิตใจเข้าไปตั้งอยู่ภายในและอย่างนี้ยอมรู้ ยอมรู้จริตนิสัยของตนเองได้ดีเมื่อรู้ว่าจริตของตนมันมากไปด้วยอาการอย่างนี้นี้ก็เจริญพระกรรมฐา น, นนั้นเป็นคู่ปรับกันเช่นอย่างราค่าจริตรักสวยรักงามอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเจริญอสุภากรรมฐาน เป็นเครื่องระ ง, งับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพิจารณาในทางปรมถาถธรรมแล้วไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรขี้ร้ายที่ว่าขี้ร้ายหรือสวยงามนั่นสมมุติบรญญัติว่าเอากันเฉยๆสมมุติไปตามอาการของสังขารแต่ถ้าเพ่ง ให้เข้าถึงสภ า, ธาธสวาธรรมตามเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรขี้ร้ายที่ติดจะน่ารักน่าชังเลยเพราะว่าสังขารทั้งหลายที่มีวิ ญ, ญญาณครองเช่นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ดีสังขารทั้งหลายที่ไม่มีวิ ญ, ญญาณครอง เส่นต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทรายดินแม่น้ำอะไรหมู่นี้นะมันก็เป็นแต่เพียงสภาวะธาตุทั้งสี่ประชุมกันเข้าแล้วก็เจริญขึ้นไปในที่สุดก็แตกทำลายลงอันหมู่นี้มันเป็นความจริง มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งยั่งยืนหรือสวยงามอะไรเลยมันธรรมชาติของมันนเป็นอยู่อย่างนั้นพระบรมศา ส, สดาทรงสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาให้เห็นเป็นไปตามธรรมชาติของมันเมื่อเพ่งพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรน่ารักน่าชังเมื่อละความรักได้ ก็มันเป็นอันละความชังไปในตัวนั่นแหละถ้าพิจารณาให้ถึงขั้นปรมาถ ธ, ธรรมแล้วนะเพราะเมื่อไม่รักแล้วก็ต้องไม่ชังแหละเพราะรักกับชังเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรเลยเช่นคนเรานั่นแนะเมื่อรักสวยรักงามเช่นชายหนุม่ม ไปรักกับหญิงสาวคนหนึ่งอย่างนี้นะเมื่อความรักมันบังเกิดขึ้นมาอย่างรุนแรงก็ปรากฏว่ามองดูอาย ว, วะร่างกายส่วนไหนของคนคนนั้นน่ะมีแต่สวยงามทั้งหมดเลยไม่มีขี้ร้ายสักหน่อยเดียวทีนี้ต่อไปอ่ะ บังเงินว่าหญิงนั่นเป็นหญิงหลายใจเสียอย่างนี้ไปคบกับชายอื่นเข้าก็ถือว่าเป็นการผิดหวังแล้วความรักของผู้นั้นนะอย่างนี้เลยเพราะว่าคู่รักของตนหรือว่าแฟนของตัวนั้นมันหลายใจมากเมื่อมันผิดหวังนั้นแทนที่จะเกิดความรักสม่ำเสมอไปไม่ได้ก็ต้องโกรธขึ้นมาแทน อย่างนี้แหละโกรธมากว่าเขากะกลายเป็นพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปแล้วก็หลงแบบ น, นี้นะนึกไม่ได้เลยว่าการเบียดเบียนกันนะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ในภพในชาติต่อๆไปนึกไม่ได้นั่นเรียกว่าหลงนี่แหละกิเลสสามกองนี่มันสัมพันธ์กันอย่างนี้ ทรงแสดงราคะนี่ขึ้นหน้าเพื่อนนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าราคะกิเลสตัวนี้นะมันมีอิทธิพลมากกว่ากิเลสอย่างอื่นเพราะคนเราก็ดีสัตว์ดิเะฉานก็ดีลองสังเกตดูมันมีความรักนั่นแหละขึ้นต้นนะก่อน เมื่อผิดหวังในความรักมันก็จึงกลายเป็นความโกรธความหลงไปเป็นอยู่อย่างนี้แม่กิเลสอันอื่นๆหรือว่าจริตนิสัยอื่นก็เหมือนกันแหละเช่นศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมงายมือนี่น ะ, ะเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันก็ทำให้ เกิดความเห็นผิดเห็นพลาดไปเพราะเชื่อตามผู้อื่นถ้าผู้อื่นเห็นถูกก็เห็นถูกไปตามเขาถ้าบังเอิญบุคคลที่ตนเชื่อตนนับถือนั่นมีความเห็นผิดเป็นชอบตาจากทำนองครองธรรมอย่างนี้ตนก็พลอยเห็นผิดไปตามคนคนนั้นอาจจะทำผิดพูดผิดไปตามความเห็นผิดนั่น นี่แหละเรียกว่าศรัทธาจริตนี่มันถ้าหากว่าไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วมันก็อาจเชื่อไปในทางที่ผิดได้เหมือนกันวิตกจริตอย่างนี้ <c oughs> เมื่อไปเที่ยวเก็บเอาอารมณ์อะไรต่ออะไรมาวิตกขวัจา์มากเข้ามากเข้ามันก็ถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ารักมันก็รักไปอย่างรุนแรง เป็นเหตุได้ทำบาปความชั่วด้วยความรักอันนั้นก็มีบางทีถ้ามันไปยึดเอาอารมณ์ที่น่าเกลียด น, น่าชังมาวิตกวิจารณ์ลุนแแรงขึ้นไปมันก็เป็นเหตุให้เบียดเบียน บ, บ, บุคคลอื่นและสัตว์อื่นด้วยความโกรธความวิตกไปในความโกรธความพัญาบาทนั่นแหละเมื่อระ ง, งับไม่ได้ก็ไปเบียดเบียนผู้อื่น สร้างกรรมสร้างเวทใส่ตนเองอย่างนี้คำว่าวิตกจริตนะไม่ใช่ว่ามันจะวิตกไปในทางดีๆด่ดวนล้วนนะไม่ใช่ทางชั่วมันก็วิตกไปเหมือนกันนะพอมันอยู่ในประเภทโมหจริตเนี่ยท่านเรียกว่าคนมีความหลงเป็นเจ้าเรือนอยู่ในใจ มีแต่วิตกไปหน้าเรื่อยไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่มาระ ง, งับความคิดความนึกภายในจิตใจนี้จับเรื่องอะไรได้กับวิตกเลื่อยเปืยไปส่งกิจเลื่อยไปเกิดความยินดีไปยินร้ายไปเรื่อยๆ <S <S พุธิจริตได้ชื่อว่าเป็นผู้เรียนมากเรียนหลาย เรียนพระธรรมวินัยคําสองด้ยเจ้าจำได้มากๆแล้วอย่างนี้บางคนก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตรงไปตามพระธรรมวินัยนั่นได้เพราะไม่ได้ตระไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทําใจให้สงบเพียงแต่จำวิชาความรู้เหล่านี้ไปด้วยสัญญาไปเฉย ไม่ได้คัดเลือกจัดสรรเพราะพระธรรมวินัยคําสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ไว้ทรงแสดงไว้ทั้งทางผิดและทางถูกทางผิดพระองค์ก็แสดงทางถูกก็ทรงแสดงไว้เพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้รู้จักคัดเลือกว่าเรื่องนี้เป็นทางผิดเป็นความรู้ผิดเช็นผิด ไม่ควรดำเนินตามเช่นอย่างแสดงไว้ในตอนต้นแห่งพระธรรมจั ก, กรกปวัตนสูตรนั่นนะเดี๋ยวว่าทางอันเป็นที่ไปของของดวงกิจเนี่ยสองเส้นเนี่ยเป็นทางอันลามกซึ่งนักปราทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่ทรงดำเนินเดินตามทางสองสายนั้น สายที่แรกได้แก่กา ร, ร ม, มาสุขขันริการุโยก ค, คือประกอบตนให้ผัวพันอยู่ในกิเลสกรรมวัตถุกรรมทั้งหลายไม่รู้จักสั่งจักซามไม่รู้จักเบื่อจกักนายสายที่สองได้แก่อัตตกิเลสมฐานุโยกประกอบตนในความเพียงอันเป็นไปในทางที่ผิด ย่อมไม่ได้วรรลุผลที่มุ่งหมายก็เป็นทุกข์เปล่าเปล่าเหลือแต่สู้ทุกข์ทนทรมานแต่ร่างกายสังขารแต่ไม่ฝึกจิตใจให้เข้าถึงความสงบไม่ทำจิตให้สงบเป็นพื้นฐานแห่งปัญญาก่อนพิจารณาอะไรก็พิจารณาไปตามอาการของสิ่งนั้นๆ อาการเหล่านั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกไปจิตใจที่ไม่สงบไม่ตั้งมัน่นเป็นสมาธิมันก็ไหลไปตามอาการนั่นๆอันบูนี้เราได้ชื่อว่ามันเป็นความหลงความเมาความไม่ได้ไข่ควรด้วยปัญญาแม้จะมีความรู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอด เพียงแต่ฝึกตนไปตามสัญญาอันผิดผิดพลาดๆไปอย่างนี้นะเหมือนอย่างคนแต่ก่อนที่ในปรากฏในตำรานะ่ะพวกฤาษีดาบท์พากันพิจารณาเห็นว่ากิเลสนี่มันซ่อนอยู่ในร่างกายนี่แหละมันถึงได้ทำใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปอย่างนี้ผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้ ก็ทรมานร่างกายอันนี้ให้บอบช้ำไปเช่นในตํารานั้นกล่าวไว้ว่าไปทุบเอาสะเก็ดหินคมๆนั้นมากรีดตามร่างกายเพื่อให้เป็นแผลเน่าเฟ้อส่งกินเหม็นได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าหากว่าตนทําอย่างนี้แล้วจิตใจมันจะไม่ได้ลื่นเล็งมันจะไม่เพ่งไปในความรักความใคร่ เพราะว่ามันเจ็บมันปวดแล้วก็มองเห็นร่างกายนี่เป็นแผลเน่าเปื่อยหุพังไปอยู่อย่างนั้นใจมันจะไม่ได้ประวัติไปในความรักความใคร่ความเห็นของบางคนของพวกหรือสีดาบทเป็นอย่างนั้นแหละทรมานตนไปอย่างนั้นจนกลัวจะตาย จิตใจก็หาความสงบไม่ได้เพระเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าเป็นการเดินทางผิดอีกสายหนึ่งเรียกว่าทรมานตนให้เหนื่อยเปล่าบางคนก็นอนอยู่บนขวกบนนาแล้วก็โดยเข้าใจผิดคิดว่ากิเลสมันซ่อนตัวอยู่กับรูปกับกายนี่แหละเมื่อยาง ร่างกายนี้มันเหือดแห้งไปแล้วกิเลสมันก็จะเหือดแห้งไปตามกันอย่างนี้พระบรทธมศสสดาขของเราก็ได้ทรงทมทดลองดูเหมือนกันเนีปฏิปทาข้อนี้นะแต่แล้วไม่เป็นไปเพื่อทางตัดสุสัมมาสัมโพธิญาณก็จึงได้ทรงละเลิกเสียเช่นอดนอนผ่อนอาหาร ขันน้อยลงไปโดยลำดับจนยังเท่ากับเมล็ดพันุ์ผักกาดก็ไม่สามารถที่จะตัดสูุสัมมาสมัมโพธิญาณได้ดังนั้นพระองค์จึงละเลิกในการอดอาหารเที่ยววินทบาทมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี้ให้เป็นปกติแล้ว ก่อนที่พระ อ, องค์จะเลิกละความเพียรอุกฤษอย่างว่าเนี่มันก็มีอุกคะนิมิตมาปรากฏในพระไตยของพระ อ, องค์ที่ท่านกล่าวว่าพินสามสายนั่นแหละสายที่แรกดีดเข้าไปทีเดียวก็ขาดมันเคร่งเกินไปสายที่สองยานเกินไปดีดเข้าไปก็เสียงดังไม่ไพเราะ ไม่เป็นที่พอพาาระหฤทยสายที่สามไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ย่อนยานเกินไปเมื่อดีดเข้าไปเสียงมันก็ดังไพเราะเพราะพิ้งดีทรงได้อุคะนิมิต ด, ดังนั้นแล้วก็จึงมาเลือกเอาพินสายกลางไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ย่อนยานเกินไปเทียบได้กับข้อปฏิบัติ ที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณต้องํำเนินทางสายกลางไม่ให้ย่อนยานเกินไปเช่นการไปคุกขีอยู่ด้วยกรรมคุณทั้งห้ายินดีพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆอย่างนี้ ไม่ปล่อยใจไม่ไม่ปล่อยจิตใจให้เพลิดเพลินไปในกรรมคุณอย่างนั้นเป็นผู้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในปัจจุบันเพ่งให้ใจมันคลายอารมณ์น่ารักน่าชังทั้งหลายออกไปให้มันคลายความหลงความเมาออกไปนี่ใจก็จะได้สงบลงเป็นปัจจุบันแล้วปัญญาก็เกิดขึ้น สามารถที่จะรู้แจ้งในธรรมของจริงได้เมื่อพระศาสดาทรงพิจารณาพินสายที่สามคือไม่เคร่งไม่ยานเกินไปอย่างนี้แล้วนั่นแหละพระองค์เจ้าจึงทรงบำรุงอัตภาพร่างกายนี้ให้เป็นปกติต่อจากนั้นก็ทรงบำรุงทาง จ, จิตใจได้แก่การนั่งขัดสมาธิอยู่บนบรรลังก์ใต้ต้น พระศีมหาพธน์นั่นแล้วเจริญอาณาปานสติทวนกระแสจิตเข้ามาภายในทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งด้วยอำนาจแห่งสมาธิหรือฌานนี่เป็นทางที่เป็นไปเพื่อทางตรัสรู้การไปทรมารมาร่างกายให้สูขให้พร้อม ลงไปนั่นได้สเสวยแต่ทุกขวเวทนาหิตใจไม่ปลอดโปร่งเลยจึงไม่เป็นทางตัดสรู้ได้ต่อเมื่อมาบำรุงร่างกายให้เป็นปกติฉันไม่ก็ไม่ให้มากเกินไปและก็ไม่ให้น้อยเกินไปฉันพอดีพอดีวันละมือ้อนี้ก็เรียก ว, ว่าพออาหารมื้อเดียวนี้ก็จะสามารถ บำรุงร่างกายนี้ให้อยู่ไปได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนงเมื่อมองเห็นปฏิปทาอย่างนี้จึงได้เที่ยววินทบาทมาฉันเพียงมือเดียวแล้วก็ไม่มากเกินไปถ้าฉันมากเกินไปอาหารทับทาธาตุนั่งภาวนาจิตใจก็มีแต่ ง, ง่วงใจเงาห้าวนอนไม่เป็นอันภาวนาเพราะนั้นจึงตรงฉันพอ ดีพอดอีพอแก่กําลังไฟธาตุที่มันจะย่อยได้ละเอียดเมื่อไฟธาตุมันย่อยอาหารได้มดดีอย่างนี้ร่างกายก็กระซุ่มกระสวยปลอดโปงจิตใจก็พลอยปลอดโปงไปด้วยไม่มากไปด้วยความง่วงเหงาหายนอนอันนี้เรียกว่าทางมัชชิมาทางสายกลางนะ ดำเนินอย่างนี้แหละบันนี้ถ้าว่าพูดเข้าใส่ในทางธรรมะแล้วก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเมื่อบุคคลมารักษาศีลเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้อย่างนี้นะจิตใจมันก็ไม่ เป็นคนใจดำอมหิทธเรียกว่าเป็นคนไม่มากไปด้วยโทสะพยาบาทเปลียมไปด้วยเมตตากรุณาคือปรารถนาที่ให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันเลยไม่ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนไอ้สำหรับนักบวชแล้ว ผู้จเจริญเมตตามากๆนี่ก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาถ้าไปเมตตาปราศจากปัญญาเสียมันเลยกลายเป็นความรักความใคร่ไปอ่อย่างนี้แหละเมตตาที่ประกอบไปด้วยปัญญาแล้วเมตตาแปลว่าความรักให้รักอยากจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากัน ไม่อยากให้ใครเป็นทุกข์เช่นอย่างเป็นนักบวชอย่างนี้มาเจริญเมตตาเอ็นดูคนทั้งหลายแล้วอย่างนี้ก็ไม่ปรารถนาที่จะไปครองเรือนมีลูกมีเมียเพราะว่าเมื่อไปทำเช่นนั้นแล้วก็ได้ชื่อว่าไปก่อทุกข์ให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่คนอื่นเข้า มีภาระอันหนักมากการครองเรือนอไม่ปราถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นทุกข์เพราะการครองเรือนนั้นก็จึงได้ออกบวชบวชมาแล้วก็พยายามเจริญพระกรรมฐานระ ง, งับราคะความรักความใคร่ให้ได้เช่นนี้แล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามทางสายกลางนะ จิตใจก็จะเป็นกลางลงไปจะไม่รักคนโน้นจะไม่ชังคนนี้เพราะว่าขืนไปรักไปผูกพันเข้าไปก็ไปก่อทุกข์ให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นนั่นแหละไอ้เมตตาแบบนั้นน่ะมันแทรกไปด้วยราคะตันหาภา ศ, าศาสดาทรงสอนว่าไม่ให้เจริญเมตตาแบบนั้นถ้าเราเมตตามีความปรารถนาที่จะให้ตน เองและผู้อื่นให้ค้นจากทุกบัรลุถึงซึ่งความสุขจริงจังแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยจิตของตนให้ไปผูกพันกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจนั้นพยายามชักจูงแนะนำสั่งสอน คนทั้งหลายให้ละความชั่วให้เคยทำความดีให้บาเพ็ญกรณียกิจที่จะเกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นให้เต็มความสามารถของตนของตนไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยร่างกายและจิตใจแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ไม่เกินขอบเขตพอเป็นมัชฌิมาปฏิปทา อันนี้แหละท่านจึงเรียกว่าเจริญเมตตาอันประกอบไปด้วยปัญญามันก็จะอำนวยความสุขให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีได้หมายว่าผู้เจริญเมตตานี่เ็จะต้องออกบวชกันหมดจึงจะชื่อว่าเป็นผู้เป็นเมตตาได้ก็มีได้หมายความอย่างนั้นผู้คลองเลือน ถประกอบไปด้วยความรักความใครแต่ก็มีความรักอยู่ในขอบเขตเช่นอย่างมีความจงรักภักดีรักใครอยู่แต่เฉพาะสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นไม่ปล่อยให้ความรักมันลุกลามไปถึงสามีภรรยาของคนอื่นอย่าง น, นี้นี่มันก็ไม่เกิดเป็นบาปอกุศลแต่อย่างใดความรักอย่างที่ว่านี่นะ เป็นได้เพียงว่ามันทำให้คล่องอยู่ในโลกเท่านั้นเองดังนั้นผู้ครองเรือนก็จงมีเมตตาจำเพาะเจาะจงแต่สามีหรือภรร ย, ยาของตนเท่านั้นแล้วต่อจากนั้นไปเราก็จเจริญเมตตาต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายเช่นมารดาบิดาลุงป้าหน้าอา องศาคนาญาตช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้มีความสุขตามสภาพนอกจากนั้นเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นที่อยู่ร่วมบ้านร่วมเมืองร่วมประเทศชาติของกันและกันตลอดถึงร่วมโลกพอเรามีทางช่วยเหลือได้อย่างไรก็ช่วยเหลือไปเท่าที่จะพึงกระทําได้ เช่นอย่างว่าคนหาเงินทองได้มากมาแล้วอย่างนี้ก็เสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลรัฐบาลก็จะได้เอาเงินก้อนนี้ไปเฉลี่ยบำรุงประเทศชาติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มากเพราะคนในโลกนี้มีบุญกรรมมากน้อยขั่วกันไม่สมมเสมอกัน บางคนก็มีบุญน้อยได้ทำความดีมาแต่ชาติก่อนน้อยไปเกิดมาชาตินี้ก็จึงทุกจนหนโลกไม่มีสติปัญญาหาเงินทองเข้าของมาเลี้ยงตนและครอบครัวไว้ทั้งอ ว, วัยวะร่างกายขวิบัติขัดข้องก็มีผู้ดใดได้ทำกุศลความดีมาตั้งแต่ชาติก่อนมากเมื่อเกิดมาในชาตินี้บุญ แกคนอื่นไม่ควรจะหวงเห็นทรัพย์สมบัติอันนั้นไว้บริโภคแต่เฉพาะตอนเองหรือเพียงครอบครัวงตนเท่านั้นควรเฉลี่ยเงินทองเข้าของนั้นออกไปให้แก่คนอื่นบ้างช่วยเหลือคนอื่นบ้างอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นการเจริญเมตตาของผู้ครองเรือนมันก็จะเกิดดอกออกผล ได้บุญได้กุศลมากมายถ้าพูดโดยเฉพาะเมตตาตนแล้วนะเมื่อบุคคลได้มองเห็นชีวิตของตนได้มีคุณค่ามหาศาลเพราะบุญกุศลได้หนหลังตกแต่งให้มาแล้วมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์จิตใจก็ดีอย่างนี้ทนำะไม่ควรที่จะใช้กายวาจาใจ อันบุญตกแต่งให้นี่ไปทำความชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดดื่มสุราเมรยัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดอย่างนี้ไม่ควรที่จะใช้กายวาจาไปทำชั่วดังกล่าวมานี่ การไปทมชั่วเช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นการที่ไม่มเมตตาตนได้ชื่อว่าทำตนให้เป็นทุกข์ชื่อว่าทำลายตนเองให้ปราศจากความสุขความเจริญเพราะว่ากรรมชั่วที่ตนทำลงไปนั่นมันจะต้องอํานวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าหามมีความสุขไม่ อย่างนี้แหะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีเมตตาตนของตนน่ะเมื่อตนช่วยตนเองให้มีความสุขไม่ได้แล้วก็จะไปช่วยคนอื่นให้เป็นสุขได้อย่างไรอ่ ะ, อ, ะอย่างนี้แหละเช่นอย่างว่าตนน่ะรู้อํานาจเกลียดมโกรธอยู่ใครทําอะไรไม่ให้ถูก อ, อกถูกใจก็ไปโกรธฉุนเสียว ใช้กิริยากายวาจาหยาบโลนต่อผู้อื่นอยู่เนี่ยแล้วเราจะไปสอนคนอื่นให้เจริญเมตตาจะได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะใครเขาจะไปเชื่อใครเขาจะทําตามในเมื่อเขารู้เขาเห็นว่าตนก็ยังโกรธคนอื่นอยูอ่อย่างนี้นะยังให้อาภัยแก่ผู้อื่นไม่ได้อย่างนี้เราจะไปสอนให้คนอื่นไม่ ไม่ให้โกรธกันเบียดเบียนกันอย่างนี้เขาไม่เชื่อหรอกเ <c oughs> มื่อตอนเองเป็นเจ้าชู้อยู่อย่างนี้แล้วจะไปสอนเนยคนอื่นลกความเป็นเจ้าชู้มันก็ไม่ได้อยู่ดีๆนี่แหละเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องมาเจริญเมตตาตนนี่แหละคนนะทําอย่างไรตนนี่จะถึงซึ่งความสุขความสงบจากกิเลสบาปประทำกรรมมันชั่วร้ายทั้งๆได้ก็ ภาคเพียพรพยายามไปในความเพียรสี่ประการนั้นนี่พระศาสดาทรงตรัสไว้ว่าความเพียร น, นี่มีองค์สี่คือหนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานสองเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วสเพียรทำบุญกุศลความดีให้เกิดมีขึ้นในตนสเพียรรักษาบุญกุศลที่ตนบำเพ็ญ ให้เกิดให้มีขึ้นในใจนั้นแล้วไว้ให้ได้อย่าให้มันเสื่อมไปนี่ความเพียรในพุทธศาสนาเนี่ยพระศาสดาทรงแสดงไว้ประกอบไปได้วยองค์สี่อย่างนี้เองเนี่ยเพราะนั้นบุคคลผู้ที่มามองดูตนของตนว่ายังมีกิเลสยังมีอวิชชาตัณหายังมีความโลภความโกรธความหลงครอบงามจิตใจอยู่ เช่นนี้แล้วไม่ปรารถนาที่จะให้ตนได้รับทุกทนทรมานเพราะอำนาจ ก, กิเลสเหล่านี้เราก็มาภาคเพียรพยายามตั้งความเพียรลงไปประกอบไปด้วยองค์สี่ดังกล่าวมานั้นคือเพียรระมัดระวังอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจให้ได้ เพราะว่ากิเลสสามกองนี่มันเป็นมูลเหตุแ ห, ห่งบาปอากุศลอันนี้แหละบาปอากุศลจะเกิดขึ้นได้คนจะทําบาปจะมีฆ่าสาัตว์เป็นต้นได้ก็เพราะอาศัยกิเลสสามกองนี่เองแหลยเมื่อสะสมให้หนาแน่นขึ้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เต็มที่เลย เมื่อเบียดเบียนคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนได้ก็เท่ากับเบียดเบียนตนนั้นเองเนี่ยกรรมชั่วที่ตนทําลงไปนั้นมันก็นย้อนกลับมาหาตนตนก็พอยได้รับความทุกข์ทนทรมานไปอ่เป็นอย่างนี้เหตุนั้นแหละเมื่อพิจารณาเห็นเหตุผลอย่างเนี้ยก็พยายามส้ำรวมระวังอย่าให้จิตของตนมันเพ่งไปในสมบัติของผู้อื่นอย่าให้มันเพ่ง ไปในอัตภาพร่างกายหรือชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่าให้มันเพ่งไปในเข้าของเงินทองของผู้อื่นอย่าให้มันเพ่งไปในสามีภรรยาของคนอื่นด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาอย่าให้มันเพ่งไปใช้วาจาหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตน อย่าให้มันเพ่งไปในคอใจไปในของเสพติดโทษต่างๆเช่นบุหรี่สุรากัญชายาฟินเฮโรอีนหมู่นี้ล้วนจะเป็นของเสพติดไโทษทางนั้นอย่าให้จิตมันโลภในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆเหล่านี้คนเราเมื่อ เข้งเลงไปด้วยอำนาจแห่งความอยากอย่างรุนแรงมันไม่ได้ใช้ปัญญาตรีตองดูสิ่งที่ตนชอบใจนั้นว่ามันให้คุณหรือให้โทษไม่ได้ใครควรเลยเอาความชอบเป็นประมาณเมื่อชอบใจแล้วก็บริโภคเข้าไปมันจะให้เห็นผลเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงไม่คำนึงเพราะว่าของเสพติดได้โทษเหล่านี้น่ะมันก็ มันก็มีมายาของมันอยู่ในตัวเหมือนกันแหละเศษเข้าไปทีแรกนี้รู้สึกว่าร่างกายปลอดโปรงคิดใจปลอดโปรงดีล่าเริงบันเทิงดีคล้ายๆกับว่าจะไม่มีทุกข์มีโศกสักทีแหละเมื่อส่องเศษมากๆเข้าไปมนติดงอมแงมแล้วออกไม่ได้ อย่างนี้เงินทองหามาได้ เ, เท่าไหรก็ไปซื้อของเสพติดมาบริโภคหมดเลยเมื่อเงินทองร้อยหลอลงไปเท่าไหรความทุกข์ความเดือดร้อนก็ปรากฏมีเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ทุกแต่ตนบัดเนี้ยทั้งลามไปถึงลูกถึงเมียถึงพี่น้องถึงเพื่อนบ้านร่วมโลค ก, กันอีกเดี๋ยวไปเที่ยวไปเป็นโจรกี้ปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาซื้อของเสพติดบริโภคหมูนี่นะ ทีแรกมันก็มีความโลภนั่นแหละเกิดขึ้นก่อนน ะ, ะเมื่อมันผิดหวังในความโลภมันก็กลายเป็นความโกรธดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละโกรธแล้วก็ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นแลสัตว์อื่นเพื่อให้ได้เงินทองเข้าของมาซื้อของเสรติดให้โทษบริโภคอย่างว่านั้นแล้วเลยกลายเป็นความหลงไปหลงและถ้าหากว่าไม่หลงเนี่ยจะไม่ทาอย่างนั้นถ้า ความอยากหรือความโลภมันเกิดขึ้นในใจอย่างนั้นแล้วมีสติสัมปชัญญะระลึกได้ใครควรพิจารณาดูสิ่งที่ตนต้องการปรารถนานั่นอมองเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรมันเป็นการสะสมกองกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในสันดานเมื่อระลึกได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่หละมันก็งดเว้นได้เลยไม่เพ่งเล็งไปแล้วหยุดเพ่ง ใน้น้อมสัญญาอารมณ์ต่างๆนั้นเข้ามาในจิตใจอันเป็นปัจจุบันนี้มาพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นผีหลอกหลอกให้ตนทาความชั่ว อ, อตายแล้วก็จะไปไหมอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น เ, ออเมื่อนลึกได้รู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้เลยเ อ, อ่ พระศาสดาทรงแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัทก็เพื่อให้พุทธบริษัทนั้นได้ทวนกระแสะความอยากความปรารถนาอันประกอบไปด้วยโมหะจริตนั่นน่ะเข้ามาพิจารณาก่อนก่อนที่จะทําอะไรลงไปก่อนที่จะพูดอะไรลงไปอย่างนี้น่ะทวนกระแสะจิตเข้ามาพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลเรื่องนั้นโดยแจมแจ้ง เมื่อเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีโทษแล้วก็จึงค่อยทําค่อยพูดไปค่อยบริโภคไปถ้าพิจารณาเห็นว่ามีแต่โทษไม่มีคุณเลยไม่มีประโยชน์อะไรแกต่ตนและผู้อื่นเลยการที่เราจะทําอย่างนั้นเราจะพูดอย่างนั้นเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้เลยทีนี้ไม่ทําไม่พูดแล้วอ จึงสมกับพุทธภาษิตที่ทรงตรัสไว้ข้อหนึ่งว่านิสัมมกัรนังเสยโยใครครวนก่อนแล้วจึงทําดีกว่าอ่นี่แหละพระาศาสดาทรงตรัสภาษิตนี้ไว้นะพบว่าคิดทําไมพระ อ, องค์เจ้าจึงตรัสอย่างนี้ที่ทรงตรัสไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าคนเรานี่นนะ มันรู้อำนาจแกกิเลสเมื่อกิเลสมันปั่นจิตใจให้อยากได้อะไรไปแล้วนั้นไม่ทันได้ฉุกคิดในใจเลยใช้กายทำใช้วาจาพูดไปตามความอยากความปรารถนาะอันเป็นบาปเป็นโทษอย่างนั้นก็มีเมื่อเมื่อมันเกิดบาปเกิดโทษขึ้นมาแล้วจึงรู้ตัวภายหลังว่าตนนั้นได้หลงได้ผิดได้พลาดไปแล้ว มันก็แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้เพราะมันสิ่งใดที่พลาดไปแล้วมันก็เล้วไปแหละมันก็เป็นความชั่วไปอ่ะแต่ว่าเมื่อรู้ตัวแล้วก็ยังสามารถมีทางแก้ไขได้อยู่ไอ้กรรมชั่วบางอย่างนั่นนะแต่บางอย่างแก้ไม่ได้เลยเช่นอนันตริยกรรมห้าอย่างมีค่ามารดาบิดาเป็นต้นอย่างที่คงรู้ๆกันมาแล้วนันน ะ, ะกรรมชั่วเหล่านี้เป็นครุกรรมเป็นกรรมหนัก เมื่อใครพลาดพังธทรรมลงไปแล้วนั่นจะหาทางทาความดีแก้ตัวอย่างไรอย่างไรก็ไม่พ้นโทษได้เลยเมื่อล่าโลกนี้ไปแล้วก็วมีอาเวจีมหานารกเป็นเรือนนอนอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการละมัดระวังไม่ให้ความชั่วไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเนี่ย ก็จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องตั้งความภาคเพียรไม่ยามลงไปให้เต็มความสามารถเมื่อเราระมัดระวังตาหูจมูกลิน้นกายใจไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วอย่างนี้มันก็มี ส, สติสัมปชัญญะยับยั้งชั่งใจพิจารณาเรื่องเหล่านั้นได้คนเราจะทำชั่วหรือทำดี ก็โดยอาศัยตาหูจมูกกลิ้นกายใจอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ทั้งห้าประการนี้เองหละถ้าเราไม่ได้อาศัยอายตนาภายในภายนอกนี่ก่อนอย่างนี้มันก็ทำความดีทำความชั่วอะไรไม่ได้ดอกเรื่องมันนะเช่นอย่างตาได้เห็นรูป อ, อย่างนี้นะ ยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุบัญจาวคีทั้งห้าได้เห็นรูปร่างของ菩 า, าทามีผิวพันธมนณนะพุทธทองได้ฟังอุบายธรรมะของระาทาดาอย่างจับอกจับใจเมื่อเห็นเข้าแล้วได้ยินพระสุรเสียงเข้าไปแล้วก็เกิดความเคารพน้อมน้อมแต่ก่อนนั้นเมื่อยังไม่รู้คุณวิเศษของพระ อ, องค์ก็กระด้างกระเดือง ตีตัวเสมอยกตนเสมอกับพระองค์ท่านอย่างนี้แหละพอพระองค์ชี้เหตุผลอะไรตัวให้ฟังแล้วสำนึกได้แล้วก็เกิดความเลื่อมใสเคารพเป็นอย่างยิ่งเงียสโสประสาดลงฟังธรรมฟังลงฟังพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยดีและฟังอนัตตลกคณาสูตรไปโดยลำดับในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตตผล คนทุกคนภายในสงสารไปนี่ก็เพราะอาศัยตาเห็นรูปพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั่นเองอาศัยหูได้ยินพระสุรเสียงพระธรรมเทศนาอันไพเราะในเบื้องต้นในถ้ำกลางในที่สุดนั้นแหละถ้าเหล่านั้นจึงได้บรรลุถึงความพ้นจากทุก์บรรลุถึงความสุขอันเป็นแก่นสารที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพาน ได้ก็เพราะอาศัยตากับรูปดังกล่าวมานั่นแหละทีนี้บุคคลจะทําชั่วได้ก็เพราะตาได้เห็นรูปอันไม่พออกพอใจแล้วก็โกรธพยาบาทอาฆาตจองเวียนเบียดเบีย น, ยนซึ่งกันและกันหูได้ยินเสียงน่าเกลียดหน้าชังขึ้นมาแล้วไม่พออกพอใจไม่เห็นโทษแทงความโกรธอันนั้น ก็เป็นเหตุใหเ้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพราะหูได้ยินเสียงอันไม่พออกพอใจนั้นเองนี่ลองคิดดูวิจารณ์ดูคนเราจะทำดีทำชั่วได้ก็เ พ, เพราะอาศัยอายตนะภายในภายนอกอ า, อาศัยวิญญาณความรู้แจ้งในทางตาหูจมูกลิน้นกายใจนี่แหละอ่า เมื่อตาได้เห็นรูปเป็นต้นนี่โดยอาศัยสติอาศัยปัญญาดําเนินดังกล่าวมาแล้วนะั่นน่ะมันก็เป็นเหตุให้ทําความดีได้แต่ถ้าอาศัยตากับรูปแล้วประกอบไปด้วยโมหะจริตหลงไม่รู้ไม่รู้เหตุปัจจัยเหล่านั้นตามเป็นจริงก็เป็นเหตุให้คนเราทําบาปทําความชั่วต่างๆได้ เ, เพราะฉะนั้นภาษาดาจึงทรงสอนให้สำรวมตาหูจมูกกริ้นกายใจไม่ให้ยินดีไม่ให้ความยินดีครอบงำไม่ให้ความยินร้ายครอบงำจิตใจได้นี่แหละมูลเหตุที่จะให้คนเราทำความชั่วนะมันเกิดจากความยินดียินร้ายนี่แหละขึ้นก่อนนี่เมื่อเราระ ง, งับความยินดียินร้ายได้ จิตใจเป็นกลางลงไปแล้วมันทําบาปไม่ได้แล้วคนเราเบียดเบียนใครก็ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าว่าพลั้งเผือไม่สามารถที่จะสํารวมระวังได้เต็มที่กระจนเป็นเหตุได้ไปทําบาปลงไปแล้วจึงรู้ตัวอย่างเงี้ยพอรู้ตัวแล้วเวลาใดก็รีบทําความเพียรละ อ, ะอารมณ์แห่งบาปอากุศลนั้นให้ระ้ับดับไปจา ก, กจิตใจให้ได้ ก็หมายถึงละความโรคความโกรธอันมันห ม, มักหมมอยู่ในใจิตใจนั่นเองแหละเพียรละมันออกไปเพียรละความโรคด้วยการให้การบริจาคทานเพียรละความโกรธด้วยการเจริญเมตตากรุณาให้มากมากขึ้นไปเพียรละความหลงด้วยการไหวพระด้วยการนั่งสมาธิภาวนาทำใจที่พุ่งสร้างเลื่อนลอยให้สงบระงับลง แล้วก็เจริญปัญญาวิปัสนาให้บังเกิดขึ้นโดยมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยแห่งธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ธาตุสี่ขันธ์ห้าอันได้นามว่าคนหรือว่าสัตว์นี่มันเกิดขึ้นมาได้ด้วยอำนาจแห่งบุญบาปที่บุคคลได้กระทํามาแต่ชาติก่อนทุนหลังนั่นแหละบุญบาปที่ เกิดจากการกระทาแต่ผลลังนั่นแหละมาตกแต่งธาตุสี่ขันห้าอันรวมเรียกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเรียกว่าคนหรือว่าสัตว์นี่ให้เป็นปรากฏขึ้นมาได้อย่างนี้โดยเฉพาะขันห้าที่ตนอาศัยอยู่เดียวนี้แหละนี่มากำหนดรู้แจ้งเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ตามความเป็นจริง ความจริงของขันห้านี่ก็ดีเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่มาตกแต่งให้เกิดเป็นขันห้าขึ้นเหล่านี้ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นเลยมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนอย่างที่ดวงตาเห็นธรรมของพระโสดาบันเจ้าทั้งหลายนั่น ท่านยอมเกิดความรู้เกิดยานความรู้ความเห็นขึ้นประจักษ์แจ้งในใจอันเป็นปัจจุบันนี่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่ก็ได้แ ก, ก่กิเลสได้แก่กรรมได้แก่วิบากอันนี้แหละเมื่อเราสาวหาต้นตอ ของเหตุปัจจัยทั้งหลายจริงๆนะกิเลสคือความโลภโกรธหลงนี่เป็นเตุให้คนเราทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างและวันนี้ก็ได้สวยผนแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารนี่นะ่ะเกิดตายเกิดตายไปชาติใดก็ไปเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างอันเกิดจากการ กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวท ร, ร ม, มาแต่อดีตชาตินั่ น, นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำให้เกิดอีกแล้วได้เสวยสุขเสวยทุกข์ไปในสงสารไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมาพิจารณาเห็นเหตุใจเหตุปัจจัยของชีวิตหรือว่าขันธ์ทั้งห้าอันนี้ให้รู้เห็นธรรมเป็นจริง ดังกล่าวมานี้แล้วก็จะได้เกิดนิพพิธาเบื่อหน่ายต่อกรรมมกิเลสวิบากทั้งหลายดังกล่าวมานี้เมื่อบุคคลเบื่อหน่ายต่อกำชั่วมันก็ละกำชั่วนั้นได้เลยไม่ถือมั่นไว้แล้วเพราะว่ามันกำรรชั่วทั้งหลายนี่มันเป็นเหตุให้ทุกเกิดนี่จะไปยึดถือมันไว้ทําไมอ่ะ เมื่อเบื่อหน่ายต่อคำชั่วก็ไม่เพร า, าเบื่อหนายต่อความโลภต่อความโกรธต่อความหลงนั่นแหละเมื่อเบื่อนายต่อกิเลสล่า น, นี้แล้วมันก็เพียรละมันเหละจะไม่โลภไม่เพ่งเล็งไปในสมบัติของใครเลยตนเสวงหามาได้โดยทางที่ชอบได้มากน้อยเท่าไรก็บริโภคใส่สวยอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่ไปโกรธใครเกลียดใครเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเนี่ มันมีเกิดแล้วแปรปวนแตกดับไปถึงไม่โกรธไม่เบียดเบียนมันก็แตกดับไปเองมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่โกรธแล้วแต่จะไปหลงไปทาไมหลงขันห้าเนี่ยเพราะว่ามันไม่เที่ยงนี่ไม่ยังยืนไม่ใช่ของเรา อ, อย่างนี้แหละมาเจริญปัญญาพิจารณ า, าเห็นขันห้าตามสภาพความเป็นจริงอย่างว่านี่แล้ว ก็สา ม, มารถละความโลภความโกรธความหลงนี่ออกจากจิตใจได้เป็นอย่างนั้นบุคคลเมื่อมาเห็นโทษของกิเลสแล้วมันก็เพียนละกิเลสนี้ได้บัดนี้เมื่อละความโลภความโกรธหลงด้วยการให้ทานด้วยการรักษาสินด้วยการเจริญเมตตาภาวนาลงไปจนเกิดปัญญาญาญอย่างรู้ สังขารทั้งหลายเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงสังขาร ท, ทั้งที่ส่วนที่เป็นบุญหรือเป็นบาปไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็เหมือนกันล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเกิดขึ้นแล้วแปร่พวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แลวบาปก็ไม่ถือมั่นไวบุญก็ไม่ถือมั่นไวในใจแบนี้นะละทางบุญละทางบาปเลย ควบุญบาปมันตกแต่งให้เกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบจักสิน้นบุญถึงแม้จะตกแต่งให้เกิดดีมีสมบุญด้วยลาบยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจมีอายุยืนยาวนานอย่างไรก็ไม่พ้นจากความไม่เที่ยงความแปรปวนไปแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้นะมันมีปรากฏเลย เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วสังขารเหล่านี้ถึงจะดีจะ ง, งามจะปรนณียบรรจงอย่างไรก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องแตกดับทำลายไปเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงละทั้งบุญละทั้งบาปเลยบบบนี้นะผลสุดท้ายมาน ะ, ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำก่อให้เกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกแต่ว่าก่อนที่จะละ บาปหรือจะละบุญได้ก็ต้องอาศัยสั่งสมบุญกุศลให้มันเต็มก่อนนะมันยึงค่อยละลงได้มันยึงปรงตกได้และบาปก็เหมือนกันเนี่ยวจะละได้มันก็ต้องละต้นเหตุแห่งบาปนีให้มันหมดลงไปก่อนไอ่บาปนะั้นมันก็จึงค่อยหมดสิ้นไปถ้านี้บุคคลจะละบุญได้ก็ต้องสั่งสมบุญกุศลให้มันเต็มซะก่อน ออย่างนี้แหละถ้าบุญกุศลไม่เต็มแล้วละไม่ได้อละไม่ได้แน่นอนทีเดียวละบุญยังไม่ได้แต่ต้องอาศัยบุญนั่นแหะเป็นทุนบนัดนี้อาศัยบุญนั่นบุญเก่าที่ทํามานั่นแหะเป็นทุนสั่งสมบุญใหม่สืบต่อไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะเต็มอันนี้เดาพูดอย่างรวบลัดตัดตอนก็อย่างเราเจริญเป ศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะนั่นเนี่ยการรักษาศีลนี่มันก็ต้องให้สูงขึ้นไปโดยลำดับรักษาให้ละเอียดให้ปณนิชเข้าไปจนเป็นอัธิศีล น, นูน่นศีลยิ่งไม่ละไม่ยอมล่วงสิขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่พระศาสดาทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้ไม่ที่บุคคลจะ ไม่ล่วงจึงทำวินัยน้อยใหญ่ได้กรเพราะอย่างว่านั่นแหละละความโลภความโกรธความหลงออกจา ก, กจิตใจได้ไม่เห็นแก่ความอยากความปรารถนาอะไรเลยก็จึงปฏิบัติตามธรรมวินัยได้แต่ถ้าผู้ใด ย, ยังละยังลุกอำนาจแก่ความโลภโกรธหลงอันนี้อยู่จะปฏิบัติตามธรรมวิเนยไม่ได้เลยจะได้บ้างไม่ได้บ้างไปอย่างนั้นแหละนี่ แม้ครึงหัดก็เหมือนกันนะจะรักษาสินห้าสินอวสตรให้บริสุทธิ์เป็นนิจจะสินไปอย่างนี้ก็รักษาไม่ได้เพราะว่ากิเลสเรานั้นเมื่อตนไม่ละมันแล้วมันก็จ ะ, ะต้านทานสกัดกัน้นจิตใจน้ไว้ไม่ให้พอใจในการสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้มันเต็มบริบูรณ์กิเลสอันชั่วร้ายนะมันก็จะโน้มน้าวจิตใจให้ ยินดีไปในทางบาปอากุลนอา้าก็แบงจิตใจอันนี้ไปทำบาปเข้าไปอีกอพอรู้ตัวก็วกกลับมาทำบุญนี่แหละคนผู้หลงผู้มาผู้ไม่ได้เจริญปัญญาวิปัสสนาแล้วความคิดความเห็นนี่ไม่แน่นอนเลยพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นแหละไม่คงที่อยู่ได้เลย ต่อเมื่อได้มาเจริญศีลอันใดสมาธิก็อันนั้นสมาธิอันใดปัญญาก็อันนั้นเป็นอธิศีลเป็นอธิจิตเป็นอธิปธัญญาเรียก ว, ว่าเป็นของยิ่งทั้งนั้นศีลก็ยิ่งไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่เป็นธาตแห่งตันหาสมาธิก็ยิ่งคือตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณอย่างเดียวไม่ตั้งมั่นอยู่ในบาปเลย เรียกว่าเป็นกลางอยู่ได้คำว่าสมาธินี่นะสมาธิยิ่งเนี่ยเป็นกลางอยู่ไม่เอียงไปข้างยินดีไม่เอียงไปข้างยินร้ายอย่งนี้อาจารย์ท่านยึงเรียกว่าสมาธิยิ่งแต่ถ้าหากว่าเผลอๆตัวอะไรยังหลงยินดียินร้ายไปอยู่เนี่ยสมาธิของคนนั้นยังไม่ยิ่งยังไม่สม่ำเสมอยังเป็นอธิจิตยังไม่ได้ ก็ต้องพยายามบําเพ็ญไปเรื่อยๆจนมันเป็นอธิจิตเนี่ยจิตยิ่งจิตไม่เอียงไปข้างรักข้างชัง่งข้างหลงข้างเมาอธิปัญญาปัญญายิ่งกรหมายปัญญาที่รู้แจ้งในอริยสัจเจธรรมทั้งสี่นั่นแหละรู้ทุกข์รู้เหตุให้ทุกข์เกิดรู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี่ท่านจึงเดียวเป็นปัญญาอันยิ่งทุกภาษาศาสตาสอนให้รู้เท่าไม่ทรงสอนให้ละเราต้องรู้เท่าเพราะว่าทุกมันเกิดจากขันห้าเมื่อขันห้านี่มีอยู่ตราบใดทุกขก็มีอยู่ตราบนั้นเมื่อใจมันยึดมั่นอยู่ในขันห้านี่อยู่ตราบใดตัณหาความทะเยอทยานอยากมันก็มีอยู่ตราบนั้นเมื่อปล่อยวางขันห้าได้ตัณหาก็ดับไป ก็รู้ว่าทุกขดับจากกิจใจไปแล้วเพอดับตัณหาความอยากแล้วทุกทางใจก็ไม่มีนี่ข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาชื่อว่าเป็นหนทางดับทุกขได้ทางสายเดียวนี้เท่านั้นสายอื่นไม่มีไม่ใช่ทางดับทุกขเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นปัญญาอันยิง่งเพราะฉะนั้น เมื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับตรัพฟังแล้วก็ขอได้พากันตั้งอยู่ในอัปมาธาธรรมคือความไม่ประมาทพยายามปรับปรุงจริตนิสัยของตนเนี่ให้มันดีขึ้นอย่าปล่อยตนให้เป็นไปตามจริตนิสัยอันชั่วช่วอันไม่ดีไม่งามต่างพยายามปรับปรุงจริตนิสัยของตน ให้เป็นให้ตรงต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญาอันเป็นมัตสิมาปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุมิพระเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วดังบรรยายมาก็ขอยุดติลงเพียงเท่านี้